แม่เจ้าเธออยาให้กุรธิดาอุปสมบทเลยเธอรับคำแล้วภายหลังกลับบ่นว่าต้องอาบัตปาจิตี